เพืพากันตั้งใจทำความเพียรเป็นนักบวชต้องเป็นผู้มีความเพียรผมพยายามจึงชื่อว่าเป็นนักบวชพยายามหาหนทางออกจากทุกข์ไม่ใช่อย่างอื่นได้ ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ชื่อว่านักบวชพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่จะมาบวชในพุทธศาสนานี้ต้องเป็นผู้เห็นภัยในพระพุทธศาสนาเห็นภัยในวัตาสงสารเห็น ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงของชีวิตเพราะว่าเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มารักมาหวงเห็นร่างกายอันนี้ไม่ต้องการอย่างให้ร่างกายอันนี้แตกดับทำลายไป เมื่อเวลาทั้งการนี้มันแปรปวนไปมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนกลัวตายอันนี้แหละภัยอันใหญ่หลวงในชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าจึงเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี้ ถ้าบุญบารมีน้อยถูกตัญหาครอบงมก็มองไม่เห็นทุกเห็นภัยในสงสารผู้ได้ที่หนีมาบวชได้นี่ก็แสดงว่าเป็นผู้เห็นทุกเห็นภัยในวัตาสงสารนี่พอสมควรทีเดียว ไม่เช่นนั้นก็มาบวชไม่ได้เพราะว่าปันหามโนเนียวให้คล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันพอใจอยู่ใจ่ในสิ่งเหล่านั้นส่วนมากโลกอันนี้นะผู้ที่เห็น ทุกเห็นโทษนั้นได้แก่คนมีวาฒนาบารมีแก่กล้าดังกล่าวแล้วคนมีวัฒนาแก่กล้าเะนั้นมีน้อยเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าความเป็นนักบวชเนี่ยจึงคือว่ามีน้อยมีน้อยน้อยมากทีเดียวเทียบกับคน ในโลกนี้ได้เที่ยวหนึ่งเท่านั้นเองหนึ่งหนึ่งในเก้าสิบนนะของโลกเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ทัวว่าตนมีศรัทธาในมาบวช ในพุทธศาสนานี้แล้วก็ภาคภูมิใจว่าตนเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าบวชมาแล้วก็ไม่ซึกการที่จะไม่ศึกได้ก็เพราะมีความเพียรไม่เห็นแก่หลับแกนอนไม่เห็นแก่อยู่แกกิน เป็นผู้มีความพยายามนี่แหละการตื่นดึกลุกเช้าไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรคมพยายามถ้ามีแต่ก่อนแล้วนินกินแล้วนอนอย่างเดียว ไม่เชื่อว่าเป็นผู้มีความพยายามได้ชื่อว่าเป็นผู้บวชเข้ามาเพื่อหาความสุขชั่วคราวสุขในการกินสุขในการนอนสุขในความไม่ต้องทําการทํางานอะไรอืม อันนี้เรียกว่าเป็นสุขชั่วคราวไอ้ผู้อยู่คลองเรือนเะนี่ยต้องกําพ้นทนแดดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแสนยากแสนลำบากนั่นแต่เขาก็สู้ได้บางคนก็เลยไม่สู้ ไปหาเงินหน้าทองในทางง่ายๆเล่นการพนันคันต่อเป็นผู้ส่องสมกันเป็นโจรเป็นขโมยลักทรัพย์ของผู้อื่นเขาขี้ปล้นเขาเอาเงินที่เขาหามาได้แสนยากแสนลำบากนั้นเอามาใช้มาจ่าย แน้วการทำเช่นนั้นเรียกว่ามันทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบาป ก, กรรมนั่นมันก็ย้อนมาหาตัวเองมันก็ทำให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลังแต่มนุษย์เราไม่ไม่รู้สึกดอกไม่รู้สึกว่าการกระทำของตนนั้นมันมีผล ตอบสนองเหตุเหนั้นมันจึงทำลงได้ถ้ามันคิดเห็นว่าโอ้ยมันจะมีผลตอบสนองให้ตนเป็นทุกข์ในภายหลังอย่างนี้มันก็ไม่ทำเลอไม่ทำนี่แหละความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนในโลกนี้แสนยากแสนลำบากเนื่องด้วยตัญหามัน มีกำลังมากมันก็บังคับจิตใจให้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละแม้จะทุกข์ยากลำบากนี้มันก็กำจำใจเพราะตนตกเป็นท่าของตัญหาแล้ววันนี้บางคนมันเบื่อทุกข์อย่างนั้นแล้วหนีมาบวช ท่านมาบวชแล้วความตั้งใจคิดว่าจะมาทำความเรียนพยายามกำจัดกิเลสทันหาอยู่ในจิตใจนี้ออกไปทีแรกขอตั้งใจอย่างนั้นพอบวชเข้ามาแล้วเอาแล้วจิจตใจอ่อนแอสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็เลยเอาแต่นอนเข้าเพลินประมาณ เอาแต่นอนเอาแต่กินเอาแต่เล่นสนุกสนานไปคุยกันไปให้วันเวลามันหมดไปหมดไปแล้วหน่อยกิเลสมันก็เล่นงานเอาตัณหาครอบงำจิตใจเกิดความอยากอะไรต่ออะไรมากมายขึ้นในใจ ก็อยู่ไม่ได้ก็ตึงศึกษาลาเพศออกไปศึกออกไปแล้วเอา้าแทนที่จะไปหางานทำการทำงานให้เข้มแข็งรวบรวมเอาเงินทองเข้าของมาตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นฝั่งเป็นฟ้าไม่เอา คนมีจิตใจเลื่อนลอยแล้วมันทำไม่ได้มันไม่อดไม่ทนถือขาลาเพศเออกไปแล้วก็ไปเที่ยวเตรหาเงินหนาทองเปลียเป็นลูกจ้างเขาได้เงินวันละห้าสิบบาทร้อยบาทสมัยทุกวันนี้เข้าของอะไรก็แพง เงินล้อยบาทนี่ก็แทบไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวแต่ก่อนนี้พโทเงินร้อยบาทใช้จ่ายไปได้นานหลายวันอย่างนี้นะมนุษย์เรามันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะเหตุนี้ให้พึงเข้าใจ ผู้ใดมีวาสนาได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วนะควรจะภาคภูมิใจควรจะอดทนสั้งความเพียรลงเพียรพยายามน้อมสติเข้ามาควบคุมจิตอยู่ภายในอย่าให้จิตมันคิดส่านไปภายนอกอย่ารู้อำนาจแก่ตันหา ตนเป็นธาตุของตัณหามานี่แต่อดีตชาติหนหลังมันนับชาติไม่ท่วนแล้วไปตกนรกพ่อตัณหานี่ยมันก็ น, นับชาติไม่ท่วนเหมือนกันนะแต่มันนะลึกชาติหุนหลังไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าตนไม่ได้ตกนรกเป็นเปรตเป็นผีอะไรเลยแท้ที่จริงเนี่ยได้สบยทุกทรมาน อยู่แดนนลกอบายภูมิมาแล้วหลายชาติหลายภพทีเดียวอ้าวแล้วทำไมจึงพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมาเกิดเป็นคนได้คนใดพบเกิดมาบางชาติก็ได้ทำบุญทุนทานได้ทำความดีไปบางสิ่งบางอย่าง บุญกุศลนั้นมกักระติดสอยห้อยตามแต่เมื่อบาปมันยังให้ผลอยู่บุญเหล่านั้นก็นยังให้ผลไม่ได้แต่มันก็ไม่ละเจ้าของมกักระติดสอยห้อยตามไปพอบาปกรรมเหล่านั้นให้ผลหมดลงแล้ว บุญนี่ก็ดให้ผลสืบต่อมันก็พาดวงจิตนี่มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นทนกับเป็นคนขี้กระจอกไม่มีสติไม่มีปัญญาทีแรกเพราะว่ามันไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิมาทนทุกข์ทรมานมานาน จิตใจเศ้ามองขุ่นมัวถึงแม้มาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองก็แทบไม่ไหวให้พิจารณาดูให้มันเห็นไอ้คนทุกคนจนในโลกมีมากมายเหลือเกิน ก็เนื่องมาแต่มันประมาทอย่างว่านี่แหละไม่มีความเพียรไม่ผึกตนพอใจอยู่แต่ความสุขชั่วคราวบางคนเกิดมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วก็ขี้เกียจศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆ ไปโรงเรียนก็สักแต่ว่าไปแต่ไม่ได้พอใจในวิชาความรู้ไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจท่องบนจดจำอายุครบแล้วเขาก็ไล่ออกออกไปจ่ายออกไปเมื่อออกกางเรียนไปแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรแม้แต่จะไปเป็น ลูกจ้างเขาอย่างนี้เขาก็ไม่เอาเพราะเป็นลูกจ้างเขาเขาสั่งให้ทำงานโน้นโน้ น, นนี่นี่ก็ทำไม่เป็นเข้าไม่ใช้คบปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนานานะก็ทำไม่เป็นก็ไม่เรียนมาไม่มีความรู้เช่นนั้นเขาก็ไม่จ้าง ก็เลยกลายเป็นคนจอรจัดเที่ยวลักขโมยเขากินอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละในที่สุดเขาก็จับไปฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลติดคุกติตรังแสนทุกแสนยากแสนลำบาก พุกคาตลางแต่และจังหวัดเต็มเอียดๆมีแต่นักโทษมันก็นเนื่องมาแต่มันไม่มีความเพียรไม่เอาใจใส่ในการเรียนการรู้นี้เองนะ่มันไม่มีปัญญาและมันก็หาเรื่องปากเรื่องท้องโดยทางสุจริตไม่ได้ นักปวดก็เหมือนกันเป็นนักปวดมาแล้วถ้าขาดความเพียรก็ไม่ยามไหวพระภาวนากำจัดกิเลสตัณหาออกจากกิจใจแล้วบวดเข้ามาก็ไม่มีความสุขหาความสบายไม่ได้เลยมีแต่กิเลสตัณหา มันเผาจิตใจให้เราร้อนอยู่อย่างนั้นคนขาดความเพียรพยายามแม่นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีต้องพิจารณาให้ดีผู้ที่มีเกียรติยศชื่อเสียง มีคนนับถือมากมีฐานะดีต่างๆหมกนั้นสังเกต ด, ดูให้ดีล้วนแต่คนมีความภาคเพียรพยายามทั้งนั้นเลยจะเป็นนักวดก็ดีเป็นครือหัาผู้คองเรือนก็ดียอมเป็นผู้ไม่เกียดคร้านมีความมั่นความขยันภาคเพียร ทำหน้าที่ของตนไปจนกว่าจะบรรลุผลที่มุ่งหมายเป็ น, นักวดกบผากเกียนพยายามละกิเลสตัณหาไปไม่หยุดไปยังแม่จะยากลำบากอย่างไรก็สู้เพราะกิเลสตัณหานี่ถ้าไม่ละมันแล้ว สะสมมันมากขึ้นเท่าใดมันก็ยิ่งก่อทุกข์ให้มากเท่านั้นมันก็ยิ่งได้รับเสวยทุกขเวทนาไปในสงสารอันนี้ไม่ไม่มีที่สินสุดเพราะฉะนั้นพวกเราผู้เป็นนักบวชก็ ควรพากันพิจารณาตัวเองให้ดีพิจารณาว่าความสุขทั่วคราวน่ะมันดีอย่างไรพูดติดอยู่ในความสุขทั่วคราวภายหลังมาก็ได้รับทุกข์เป็นผล อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละชีวิตก็ด้อยลงไปเหมือนพระชันข้างแรลมไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้ดังนั้นเมื่อมาเป็นรักวดก็ต้องมีความภาคเพียรพยายาม คำตัดกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจแม้มันจะเป็นมันจะได้รับความทุกข์ยากลำบากในเบื้องต้นแต่เมื่อกิเลสตัณามันเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจแล้วมันก็มีความสบายใจในภายหลังได้รับความสุขความเย็นใจในภายหลัง นี่เรียกว่าขึ้นต้นด้วยความทุกข์แต่ตอนปลายได้รับความสุขเป็นพรอบางคนขึ้นต้นก็เป็นทุกข์ไปตอนกลางตอนปลายก็เป็นทุกข์ไม่ไม่มีความสุขความสบายลองพิจารณาดู คนในโลกอันนี้นะบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแะใเมื่อยังหนุ่มยังแน่นไม่ไม่ศึกษาไม่มีความรู้ก็อย่างว่านะก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาคำพนทนแดดอะไรท่้อะไรมปเรื่อยไปจนถึงวัยกลางคนก็ยังเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ย จนถึงวัยเท่าวัยแก่วัยชลาก็เหมือนกันมันเป็นคนไม่มีความเพียรไม่มีปัญญาอันตหามันไม่มันไม่หยุดเลยเลยอ้าวนอนหนึ่งก็ไปหาเมียคนยากคนจนเหมือนกันคนรวยเขาก็ไม่เอาคนดี ได้เมียคนยากคนจนเหมือนกนแล้วกอาแล้วทีนี้เร ก, ก็ได้ลูกได้เต้ามากก็หากินอย่างแสนยากแสนลำบากพอลูกใหญ่โตมาเท่านี้แล้วก็ลูกเต้าเขาก็ ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเขาก็นหนีไปหางานทำทิ้งพ่อแม่ไว้เบื้องหลังพ่อแม่ก็เฒ่าแก่ชราก็ทำงานอะไรก็ไม่ได้ก็ทอนทุกทรมานอดอยากปากแห้งชีวิตของบุคคลผู้ปราศจากความอดความเพียรความพยายาม ย่อมได้ประสบแต่ความทุกข์ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ลองคิดดูให้ดีเราก็เห็นด้วยตามาทุกคนเนี่ยเห็นคนยากคนจนมันเป็นยังไงเมื่อเห็นแล้วก็เอามาเตือนตอน เออถ้าหากว่าเราไม่ไ ม, มีความภาคเพียรบวชเข้ามาแล้วไม่ละกิเลสป่าประทํามให้บาบางจากกิจใจเมื่อสึกออกไปแล้วก็จะไปเป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนกับคนยากคนจนทั้งหลายเหล่านั้นแหละกพไม่มีปัญญาอะไรที่จะหาความร่ำรวย ให้แก่ตนของตนได้มีอุบายสอนจิตสอนใจของตนเช่นนั้นอยู่เสมอๆ ม, มันก็ไม่กล้าที่จะศึกหาลาเพศไปสวยทุกทรมานอยู่ในโลกอันนั้นได้นักวดตั้งแต่ขัง้งพระเจ้ามี มีอยู่องค์หนึ่งก่อนบวชก็เป็นคนยากคนจนได้กลาใบหนึ่งแล้วก็เที่ยวขอทานเขากินไปวันวันไปวันหนึ่งเข้าไปในวัดหวังว่าคงจะได้รับเศษอาหารของพระบ้างพอดี เมื่อได้รับเศษอาหารของผ้าแล้วไปพบกับพระอานน์พระอานน์ก็เลยชักชวนว่าไอ้แก้มันคนยากคนจนอย่างนี้นะก็มาบวชเสียไปยังไงหวางนันก็ตอบท่านว่าอืคนอย่างผมเนี่ใครจะมีเมตตาใครจะบวชให้ ้าถ้าเธอมีศรัท ธ, ธาเรานี่แหละจะบวชให้เออถ้าพระพุทธ เ, เจ้าจะมีเมตตาผมก็จะบวชเธอก็เลยบวชให้มันจนยังจริงคนอินเดียมีมีผ้าหนุงผืนเดียว กับกลาใบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเพื่อนกรอกคงมีบุญนะเมื่อกมเนิมันหมดแล้วมันก็บรรดานให้เกิดปัญญาขึ้นเมื่อบวชแล้วผ้านุ่งผืนนั้นกับกลาไอเที่ยขอทานกินนั่นนะท่านก็ไม่ทิ้งวันนี้ก็เอาไป ผูกห้อยแขวนไว้จิงไม้หัวทางจงกรมเดินจงกรมไปมาเมื่อมันกระสันอยากศึก ก, ก็ไปยืนอยู่ใกล้กับผ้ากับกลานั้นแล้วก็สอนตัวเองถ้าเธอศึกไว้เธอก็จะไปนุ่งผ้าผืนนี้แล้วก็ได้กลาอันนี้เที่ยว พอทานเขากินไปวันวันแล้วอย่างนี้มันจะมีความสุขอะไรสึกไปสอนตนไปสอนตนมาเมาก็หายกระสันอยากสึกนั้นแล้วก็เดินจงกรมต่อไปทำอย่างนี้เข้าหลายวันเข้าไป ท่านก็เลยได้สำเร็จอราหันเฉลยหากเปลี่ยนพยายามสอนตนอยู่ยนั้นเมื่อสำเร็จอราหันแล้วท่านก็ไม่ไปที่นั่นอีกไม่ไปหาผ้ากับกรานั้นพระท่างหลายก็ถามเอ๊ะทาไมพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่เข้าไปสู่ป่าแห่งนั้นแต่ก่อนเห็นเที่ยวไปทุกวันเหมือนกัน ท่านก็บอกว่าจิตที่อ่อทีแรกพระก็ถามซะก่อนท่านเข้าไปสู่สู่ป่านั้นไปทําอะไรท่านก็บอกว่าไปหาอาจารย์อืมอย่างนี้เลยเมื่อท่านสําเร็จแล้วท่านก็ไม่ไปพระก็ถามทําไมท่านจึงไม่ไปหาอาจารย์วะนี้ ไอกิจที่เราจะต้องไปหาครูหาอาจารย์หมดสิ้นไปแล้วเราได้ทำเสร็จแล้วพระเน้นนั้ไหนก็หาว่าท่านอวดอุตริมนุษธรรมไปทูลพ้องพระศาสดาพระองค์จึงยืนยันว่าเพราะองค์นี้เพื่อนสำเร็จอรหันจริงๆอะ สำเร็จแล้วว่งั้นนะอืานี้พระเนรต่างหลายจึงค่อยเชื่อจึงค่อยเคารพนับถื อ, อนี่แหละความเพียรนะความอดความทนแม้จะเป็นคนมีบุญน้อยถือว่ามีกรรมมีเวรบางอย่าง ตามสนองแต่เพื่อนก็มีบุญมากมาแต่ชาติก่อนเพื่อนได้สร้างบุญกุศลมาแล้วมาตอนปลายของชีวิตนีไม่ทราบออาไปทำบาปอะไรถึงได้เกิดมาแล้วเป็นคนยากจนได้กลาเที่ยวขอทานเขากิน แต่เมื่อบุญกุศลที่ท่านทำมาได้ก่อนมาถึงบกบรรดาลให้ได้บวชเพราะธรรมนาผู้สำเร็จอรหรนันในส่วนมากต้องได้บวช เ, เว้นเสียแต่บางพวกที่ท่านบารมีแก่กล้าจริงๆได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าจบลงแล้วก็ได้สำเร็จอรหันเลย เมื่อสำเร็จอรหันแล้วจึงได้ขอบวชกับพระองค์อันนี้มันเป็นบุญบารมีของใครของเราเป็นเช่นนั้นถ้ากว่าผู้สำเร็จอรหันแล้วไม่บวชก็ต้องนิพพานแสดงว่าอายุไขของท่านผู้นั้นหมดแล้ว ท่านก็ไม่ต้องบวชอีกแล้วท่านก็ดับขันเข้านิพพานไปเลยมันเป็นอย่างนี้ประวัติความเป็นมาของนักบวดในครั้งพุทธกาลไม่ใช่ว่ามีคนร่ำรวยมั่งมีอย่างเดียวพา ก, กันออกบวช คนยากคนจนก็บวชพบบางทีเพื่อนสร้างบุญบา ร, รมีมาแต่ก่อนมันเต็มแล้วแต่แล้วมาหลงไหลทำบาปในตอนปลายของชีวิตยอย่างว่านี่เนะี่ยตอนชาติสุดท้ายที่จะได้มาเกิดกะได้มาสำเร็จอรหันต์ก็กรรมนั้นก็เลยบันดาลให้เกิด มายากจนขนแค้นเวลามาเสวยบาปกรรมอันนั้นหมดลงแล้วบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นับก็โดนบันดาลให้ได้บวชให้มีผู้สักชวนมาบวชมาเรียนอย่างที่เรื่องท่านองค์นั้นเนี่ยท่านพระอานนท์เห็นเข้าแล้วท่านก็คงจะรู้ในใจ ว่าเอะคนผู้นี้อาจจะมีวาสนาบารมีท่านถึงได้ชักชวนมาบวชบวชแล้วท่านก็มีบารมีจริงๆท ำ, ทำความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนจนสำเร็จอรหันเลยเพราะฉะนั้นเห็นคนยากคนจนก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นเขา มันก็มาโดนจิตโดนใจให้หอกไฝในทางดีได้ไปพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าแลกปราชญ์ท่านได้นำสั่งสอนก็เลยรู้ทัวได้ตั้งอกตั้งใจทำความดีไว้เหมือนอย่างท่านองค์นั้นเนี่ยต่ที่สุดท่านก็พ้นทุกข์ไปได้เบ่งอัน พูดสั้นๆว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่หมุนไปเวียนมาเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี่ในที่สุดก็ต้องบรรลุอรหั ต, ตผลดับขันเข้าสู่พระนิพพานแต่ผู้ที่ประมาทไม่ ได้ตั้งอกตั้งใจสร้างบุญบา ร, รมีทำบุญกุศลก็เล็กๆหน่อยน้อยไม่มากอะไรผู้เช่นนั้นนา น, านถึงบณิภานานพ้นทุกข์ทำบาปทำกรรมตายแล้วระุกนรกพ้นจากนรกมาแล้วบุญที่ทำวาแต่ก่อนยังติดถอยห้อยตามให้ผลก็เกิดมาเป็นคนอีก เกิดมาเป็นคนแล้วถ้าผู้ใดมีโชคดีได้พบนักบวชบัณฑิตนักบวชบัณฑิตท่านก็ชักชวนให้ทําคุณงามความดีเข้าไปก็เลยกลายเป็นคนดีคนมีความสุขความเจริญขึ้นไปถ้าพบนักบาชบัณฑิตที่เป็นผู้ มีบุญมีกุศลมากถ้ากดชักชวนให้ทำกุศลความดีสูงขึ้นไปท่านพูดอย่างนี้แล้วก็เออบุญบา ร, รมีก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปในที่สุดบา ร, รมีก็เต็มบา ร, รมีเต็มแล้วก็ได้ออกบวชในบรรลุ อรหัตอรหันต์ดับขันเข้าสู่พนิพพานพ้นทุกข์ภายในสงสารไปโดยประการทั้งปวงผู้ได้ประมาทอย่างว่านั่นเนี่ยทำความดีน้อยเมื่อการพ้นทุกข์ได้เสวยทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสารอนีน่เป็นวงกลมได้ ท่านจึงเรียกว่าวัตตะโตโลโกแปลว่าโลกมันหมุนไปคนมีบุญน้อยมันก็เที่ยวเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายไปสวรรวิบากรรมพอแรงแล้วก็กรร ม, มาเกิดเป็นคนอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอีก แต่ถ้าชาติได้ทำบุญกุศลทมความดีกันนิดๆหน่อยๆเช่นนี้แล้วก็เอานานถึงปานิพานได้เสเวยทุก ข, ขวเวทนาทรมานอยู่อย่างนั้นมันเป็นความจริงนะอันที่พูดนี่นะเป็นความจริงถ้าผูดด้ใด ประมาททำความดีแต่น้อยมัอก็นานถึงวันนิพพานได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกอย่างที่เราเห็นกันอยู่เห็นตัวของตัวเองก็เห็นเห็นคนอื่นก็เห็นในโลกสันนิวานี้อา้าวยากจนขนแค้นเกิดมาแล้ว ชีวิตร่างกายนี่มันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารบ้านี้ไม่มีเงินทองก็ไปซื้ออาหารอันบริสุทธิ์มาบริโภคออก็เที่ยวทำหาเครื่องดักสัตว์ก็ไปเที่ยวหาจับสัตว์ตามป่าตามน้ําตามน้องอะไรมาเลี้ยงตัวแลยครอบครัว ถามบาปอยู่นั่นจ้อนเท่าจนแก่บางคนนะนี่แหละความประมาทความไม่มีความภากเพียนพยายามลกความชั่วทำความดีไม่ยกตนให้สูงขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลชีวิตก็มีแต่ตกต่ำลงไปเรื่อย ดังนั้นในพากันคิดพิจารณาให้ดีการที่เราทําความเพียรในพุทธศาสนานี่ไม่เห็นแก่รลับแกนอนเท่านี้นะมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่นะสู้เป็นทุกข์ผู้คองเรือนไม่ได้ผู้คลองเรือนนีเป็นทุกข์้ายแต่สัญชาติของกิเลสแล้วมัน มันไม่ว่าทุกภาในมะักะสู้เอี่มันเป็นย่างนั้นกิเลสมันไม่ปรารถนาจะให้คนมีความสุขความเจริญได้นี้แต่มันจะฉุดคล้าไปสู่ทุกข์อันกิเลสตัณหาบาปรธรรมเป็นอย่างนั้นบุญกุศลเท่า น, นั้นที่จะโดนจิตโดนใจของคนให้ชอบความดีให้ชอบฝึกตน เห็นนักบาชบัณดิตเพื่อนทำความดีเพื่อนฝึกตนเข้าไปพออกพอใจคนมีบุญเป็นอย่างนั้นอยากจะทำตามอย่างก็เลยเข้าไปขอเรียนวิชาความรู้กับนักบาชบัณดิตนั้นหรือถ้าเป็นนักบวชก็ไปขอบวชอยากจะ มีความสุขความสบายอย่างท่านก็ไปขอบวชบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเรียนทมวินัยฝึกตนทรมานตนเข้าไปใจไม่สงบก็ทำใจให้สงบลงไปใจไม่มีปัญญาก็หัดคิดหัดพิจารณาให้ปัญญามันจเจริญขึ้นเกิดขึ้น เช่นนี้มันก็สามารถทำลายกิเลสตัหาให้น้อยบาบางออกไปจากกิจใจได้เป็นงั้น <c oughs> ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปด้วยความไม่ประ ม, มาทก็จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางไม่ชักช้าไม่เนิ่นนาน ดังแส ด, ดงมา